จะมีพวกที่ทางานแล้วก็มีพวกที่ติดตามมาเจอก็เรียนแต่หลงพ่อในเรื่องปัญหาในการปฏิบัติธรรมในคำถาก็มเชิญ เ, เลยครับเพราะว่าวันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เทศ น, นะฮะไม่ไ <c oughs> ม่เทศนะ <c oughs> แตัีลวงพอแล้วเหมือนในทุกวันมีเรื่องที่ถามนะของเรื่องที่เราภาวนาจริงจิง ทดี๋ยวไปเอาคำถา ม, มาเ่าแค่ทำพิกันยาเมตการิ์่สิ่งที่มันแค่ฝัเนเล่นสนุกสไม่เคยประโยชน์เท่าไหร่ถ้าเราภาวนาทจริงๆปัญหามันไม่มากหรื <c oughs> ที่ว่าในแรกเลยจิตของเราจุกตัองจิตเรามีคุณภาพพอที่จะเจริญปัญญาหรือเปล่า อันที่สองว่าจิตเราพร้อมแล้วเราได้เจริญัญญาหรือเปล่าแค่นั้นเองสำสุ่ไปจิตที่มันไม่ถูกมีสองงานงานหมันผ่อนแอไหลตังที่มีงานหนึ่งจบผมปรับตัวเองมนเกิดใหนเจ้าสอนให้เราเดินทามสกลางจบผมปงคับมาเกิดใหม่ไม่รอ ปล่อยเนื้อปล่อยตัวปล่อยใจตามคุเรศเองแล้วก็ก้องเลืนเนลลไดไใในการดํารินชีวิตของคนที่กำราวนาประสบความสำเร็จได้เร็วบางคทพยายามได้ชามีนีำใจที่แตกต่างกันมากน้อยไหมสันโดษชบลุกคลี่หรือเปล่ารักความเพียร ม, มีสตนะิมีสมาธิไนะ จะเรีนนยนบางอย่างคาราว่ามู่ไปที่สนรลงหรือโดยนักยิน ด, ดีในสิ่งที่เราได้เมื่อเราทำเซนที่แล้วเราพอใจเรามีความสุขในผลงานที่เราทำสรร ล, ลงตักงแตกพระองมู่งไปทีมากน้อยน้อยไมาถึงมีโอกาสได้เยอะบ้างน้อยไม่สุขสีสุขสีทั้งวัน ในวัดจะทัาทุกศีกันเข้าวัดนะ <c oughs> หลวงพ่อรู้ก่อนไปหาจุบัจารย์มีเพื่อนไปด้วยไปกัน2คน3คนไปเรียนภาวนาคนเยอะเรื่องๆนะมันก็ ห, หนักบาทีเราต้องขอถอยมีคนภาวนาด้วยมีเพื่อนภาวนาด้วยกัน น, นสุดกันปช่วงนี้ศรัทธาเราตกเขายังศรัทธาเขาดช่วงนี้วิยาเราตบเายังมวิยาเะช่วงนี้เราชักจะหลงโลกเรามีสติเขาชวัรู้จักยกบวันไหนเราพกแล้สติสมาธิปัญญาเราดีขึ้ น, น่ตกจักยางนแ้งกแ้ว เสือมไปก็ห่างๆถ้าหากระยาณ น, นั้ไม่ได้อแค่สั่ง้ไปคนเดียวลองจินตนาการตื่นเตี่ยวไปเพื่เดียวเหมือนนอนแรกไม่ใช่นอกประซู่นะประซู้ต้องมีสองนะ <c oughs> ออะไรถ้าไม่มีกรยาณ น, นั้ให้ไปคนเดียวสั่วเรายังมีหมอชงสั่งมป็กรยาณ น, นันอย่างดี ทั้งเรื่อ ง, อ ง, อ ก, างการดำเนินชีวิตของเราดีแล้วเราก็มาเรียนรู้วิธีการปฏิบัติที่ถูกในสอั้นสมาธิและปัญญาสมรรานุภาสมารรค์ต้รู้วิธีอรู้วิธีแล้วก็ลงมือทำให้สมควรจะ ท, ทำ แค่นั้นเองด้ย น, นมากหนพ่อครอมาหนพ่อตเ็กชอบคอเมานเลยถึ ง, งพอพาไปหตน า, น า, า, าตั้พอดีเด็กจิตปวดสอนนตอนสนิททำให้ตเรือยจับมาบ้า น, นถึงเวลาเล่นก็เล่นยังเดกถึงเวลาเราไตัมสวนหนเวลา เกิดวันปีมาแล้วผู้ใหญ่ก็ซื้อต้าเช่นตัวใหญ่ๆนะขาสีหลือเรามาอบนะรอนบตายเลยตเตอามาสวดมนต์เล่นหนุนเวลาเล่นกับเพื่อนวิ่งไลจับ เ, เราวิ่งีจับเขาได้เขาไม่ยอมจับตัวถึงข่าวก็ไล่จับ ข, ขาวา มันไม่วิ่งเลยว่ด้มามือเรได้ทุกจับตัวได้แล้วไม่จับมือไม่ใช่จับตัวชัด่เยมันคว้ารวตัวนจับไม่จับแขนตัวเดียก็เือจับจับท้อมันต้องเคยเจรญปัญญาแ จะรู้ว่าตัวไม่มีตังสึบไฟไหม้แก้ต่านาเต็เตเตแฉกเรงองูกหยินยูบ้เครื่องกัคเครื่องไหนนเห็นไฟไหม้ใช้ไห้เฝ้าลูกิแล้วไม่จริงนะ <c oughs> ไมตใจจสิตกใจกัวาลูกิแล้วิว่ ง, งไปบอกข้อข้อที่หนึง่งรสึกลัว ที่สอี่ก้าิสัยมันเปิดสวิตทุดเรื่องรู้สึกตัวรู้อมในสว่างสงมันแบกใจตัวเอง ค, ความกลัวหายไปไห <S 2> <S 2> <S <S ไม่รู้ว่ามันหายไปได้ยังไรที่จริงสติมันเกิดเลยถ้าเราไปทำแล้วก่อนมันไหนมันไหนยังไม่ไปำทำา็ต้องทุกเตมั ตัวเด่นคือบอกอก็ไฟไหม้่ฟนี้นยืนดูผู้ใหญ่ก็ตกใจแต่ไม่ตกใจผลของการสุรยขยากเราทราบครอบชาติได้จริงๆถ้าเราตาวนาลราเรืยอนไปได้ยิง่งกว่าชาดไหนที่ไม่มีต้องพึ่งศา ส, สนาใจมันจะวังเวงไม่ได้ชั่วนะแต่มันวังเวงมันไม่มีจุดหมายปลายทางของชีวิต รูว่าเราอยู่เพื่ออะไรเราไม่ได้ทำชั่วอะไรใครเขาทำดีอะไรก็ทำทำการรักษาศีลั่งสมาธิก็ทำในใจลึกๆมันวางเวงันไม่มีจิศทางชาติไหนนะเขาเขะต้องศาสนาเขต้องุีใจเรารู้สชีวิตมีเป้าหมายที่ชัดเจนก็หลวงพไปเจอหลวปูดูลยตอนอายุยี่สิ้า ตั้งเจ็ดเจ็ดักเป็นยีสิบเก้าทำแต่สมรัทททุวันทำเด็กๆทำไห้เป็ น, ท ำ, ท, ำปนทำแล้วออก น, นอกทำแล้วประมันสว่างก็มีฉาเหมือนใช้สปอตไลท์อะไรหน่งแสงส่องไปจึงไหน่งคือปู้ไปเห็นไปออก้นอกไปเที่ยวข้างนอกทำเป็นนานๆแมนไม่ชนไม่เห็นได้ไปแล้วก็เกิดชักกลัวจปเจอเทวดาไม่กลัวกลัวว่าไปเจอผี หายใจข เ, เ, นะเขาจะเคิ่มแล้วก็เปลี่ยนจังหวะหาย ใ, หใจแรงขึ้นรู้สึกตัวแบบหายใจต่อหายใจด้วยความรู้สึกตัวหาใจด้วยความรู้สึก ต, ตรงที่เราหายใจแล้วรู้สึกตัวหรือเราขยับมือแล้วรู้สึกตัวยังไม่ได้เริ่มมีศาสนาเนะีย่ยงที่เรางพ่อเตียนบอกว่าถ้ารู้ว่าจิตชิตจิตได้ต้นทางก็คือแค่ต้ตองทาง ทนทีที่รู้ว่าจิตจิตกังตื่นรู้สึกตัวได้ามรู้สึกตัวถไม่รู้สึกตัวอยู่เฉยๆใช้ไม่ได้เป็นสนทนาอย่างเดียวถ้รู้สึกตัวได้ก็ต้องรู้วิธีเจริญทีแรกก็ไม่เข้าใจวิธีเจริญปัญญเราไม่เ็ยรวบจิตไว้โดยตูดึงก็ให้รูจิต็นรักษาจิตเป็นจิตมัไหลไปก่องลง หาทางพิหาแรแยกแยะจิตหลุดจากอารมณ์จิตตั้งเป็นตัวรู้อ่างตัวเด็กอยู่มเดือนไนด้แต่ดึสอดจิตตั้งมั่นเด่นเดือดไปบอกท่านดูจิตเด่นแล้วเนี่ยดูได้ทั้งวันลนะ ไ, ไม่ไม่นีไปไหนแล้วบอกทาไม่ถูกยังไม่ได้ดูจิตไม่แทรกแสงจิตและแชร์ง า, านาง จ, จิตจะมีอาการเคลื่อนไปก็ไม่ได้มเคลื่อน ไปเร่อท่านบอกว่าทำจิตบอให้ดูจิตมันั่นแดูดูเนี่ยต้องไม่แต่จิตเป็นยังไงเพว่าเป็นเห็นเดี๋ยวจิตก็สุขเดจิตก็ทุกข์ดวจิตดีตอยู่สเส่งกันบ้างนะตั้งใจนะใสสิ่งที่ทั้งสองช่วยัได้ก็ดูมาเรื่อๆ สุดท้ายที่บอกท่านเป็ตัวว่าเราจะลง่ติดอยู่ในฌานเพราะผูรู้ให้ทำลายผูรู้เพรจิตให้ทำลายจิตจึงจะถึงความเป็นสุดในกายจิตสอนถงประโยชน์นะพอสุดด้แล้วพบก็บผู้เเจ้าขาเสอะไรคือผู้เทพเจ้าจิตคือตัวสั เขารู้ทำลายผู้รจิตทำลายจิตขาพพระพุทธเจ้าให้่าสถ้าเรางานะมันมั น, มนพบเจ้าเ็น่พระพุทธเนนะพพทธจ้าจิตเป็นอันเดียวกันเอันเดียวกันได้ไรพระพุทธเจ้ามีาบูนมีนนาูสา ไม่มีการดนามข n งพระ พ, พุทธเจาพระพุเจ้ามีปัญญาสาวารไม่มีปัญญาเหมือนระ พ, พุทธเจพระพุทเจ้ามีความบริสุทธิ์สามารถบริสุทธิ์เหมือนพระพุทธเจ้าเปนันเดียวกันด้วยความบริสุทธิ์เห็นถึงความบริสุทธิ์ของจิตแล้วลเข้าถึงความเป็นพระพุทธเจ้กาก็ถึงไปดันาเป็น น, นเดียวกับ พ, พุทธจ้าสิ่งเหล่าไม่ใช่ปัญญาไม่ใช่สิ่งที่คิดเล่นอะไรหรอก แต่เป็นเป็นแเ ป, นเป็นเป็นอ่นองําห น, น, น, น, นเราเข้าถึงสัจจาวนี้ได้เขาเห็นความจริงตองมาเรียนรู้จากความจริอารมณ์ทั้งหลายมีสอส่วนอารมณ์ที่เป็นความจริงและอารมณ์ที่ไม่ใช่ความจริง อารมที่ไม่ใช่ความจริงเรียกอารันยยั่งอารมณ์ที่เป็นความจริงที่เราต้องเรียนรู้คืออารมณุลึนักอารมที่เป็นความจริงสูงสุดนชีวิตเราเรามาเรียนรู้ว่าอารมณ์ลหักเป็นของจริงไม่ใช่จิดอะไรดูรงมาว่าจริงจริงกายนี่เป็นอย่างไรดูลงมาว่าจริงจริงจิตนี่เป็นอย่างไรจรจะดูของจริงได้ จิตต้องตั้งมั่นต้องมีสมาธิและพิธามถึงสอบมาสมาธิเป็นเบ็ดใกให้เกิดปัญญาถ้าจิตไม่มีสมาธิที่ถูกต้องไม่เกิดปัญญาทมปนาไม่ได้นปฏิบัติเอร้อยล้ไม่มีสมาธิิดนี้สิกกรคนที่ได้สมาธิชนินี้นนัวได้นะ แต่วันนี้มีเยอะขึ้นมีเป็นร้อยเป็นพันเลยทีไปตายรัไฟเยดะขึ้นเลยเป็นไปนเที่การป้องประชุมบางองค์กรเพืะจัดหมบ้านมาถูแควคาวจิตใจเป็นผู้รู้ผู้บบ่นผู้หบุดวางจิตใจขอบๆสำหรับรับสัมมของจิตในเกษตรที่ดกผู้เรื่องการทำสมาีิ จิตตั้งมั่นตอนควรแก่การเราถึนนะง้น้อมน้อมจิตชนิดนี้ไปเพื่อให้เกิดเกิดอย่างพัฒ น, นาเราพวกเรายัางไม่มีนะยังไม่เห็นตัวพวกเรา <c oughs> มีจิตคิดไม่ใช่จิตรู้ส่วนใหญ่ยังไม่ได้นะงั้นวิ่งลำิดเท่าไหร่เราหนุนูดนะเดินลิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้แต่ก็อาศัยชิต บางคนมั่วนะไปตัดประโยชน์สุดท้ายของความจริงคิดอะไรก็ไม่รู้หยุด <ren> ค <navy> <MO> <ifies> ิดถึงรู้นั่นต้องต้องเริ่มคิดปฏิบัติมั่วไปสุดทายนั่นคิดคิดธรรมชาติจิตมีหน้าที่คิดตลอดคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้เป็นขณะที่คิดเน่รู้ไม่ปรากฏขณะที่รู้เนี่ยไม่คิดแต่ประโยชน์สุดท้ายคือต้องอาศัยคิดเมื่ออาศัยคิดไปแล้วมันจะเกิดสุดเกิดทุกข์เกิดกุศลและกุศลกิน เกิดความหลากหลายของจิตขึ้นในขณะนั้นเราไม่คิดหรอกความสุขเกิดขึ้นเราไม่ต้องไปคิดว่าความสุขเป็นยังไงความสุขมายังไงมันแค่เห็นสถา่าที่จิตมีความสุขกบบน้ความสุขก็จะสอนไตลความสุขก็จะดับี่ห้ดูจิตที่มีความสุขก็ดับไปรอบๆต่อความสุขถ้เราคิดเ่องนี้ไปเกิดความโกล จะมีสติเราเรีรู้การตรวในขณะที่เราเรียรู้การตรวจไม่คิดหรอกเรื่องของจริงนั้โดยธรรมชาติเนยคิดไปหนแต่คิดไปแล้วเกิดสุขเกินทุ์กุศลอกุศลไม่รู้ไม่ต้องไปต้องการเลยทุกข์ุศอกุศลจะเกัจิตที่เป็นุขจิที่เป็นทุกข์ิที่เป็นกุศลกุจะับไมร การที่เราเห็นสภาวะความทั้งหลายเกิดขึ้นแล้ดับไปเกิดขึ้นแลดับไปมันจะช่วยล้างความเิดวก็มีสิ่งซึ่งเกิดธมดอยู่ตัวเราพวเราเรายังรู้สึกหรความว่าจิตในนี้มีตัวเราอยู่คนหนึ่รู้สึกตัวเราคนนี้กันตอนเด็กๆนเดิมตัวเราคนนี้กันตอนรุ่นเช้าคนเดิมร่างกายเปลี่ยนไปแต่ตัวเราคนนี้เอยน ต้องเห็นภาวาที่จิตเกิดดับหรือไอตัวรู้สึกเิดมจิตน่นถ้าเห็นจิตเกิดับได้เลยไม่มีอะไรเป็นธรรมตักเลยทั้งหลายเกินระดับทังสิ้นรู้ความจริงว่าสิ่งทั้งหลาเกิดระดับทังสิ้นได้เป็นพระสุตตันเมื่อล้งความเห็นคิดว่ามีสิ่งที่เป็นตัวตนถวารธรรมะอัาตัวตนนี่ไม่ใช่ความรู้สึกว่ามีตัวตนเป็นถาวร แต่เป็นทิจิตเป็นความเห็นผิดนันอนคือตัวตนขางคนที่แฝงใต้เป็นานทู่ชนแบบนีน้ชานผิดจิตที่ว่าพอตายแล้วจิตออกจากร่างไปเกิดใหม่ยำยำตรงนี้ก็ไม่เคยเห็นว่าจิตนั้นเกิดับอยู่ทุกขณะเพาะเราเห็นจิตมันเกิดดับอยู่เรื่อยๆเกิดร่างความเห็นจิตเองาการที่จะได้ดวงตาเห็นยยครร สัจธทรมมีทางเดียวคือข้าไประจับต้อไปเห็นความจริงดั่นเราจะล้างความเป็นผิดว่ามีตัวมีตนด้วยต้องไปดูเลยหวยใจนี้เป็นตัวตนมีแเกิดและกระดับจิตนี้มีจะเกิดแลวกัเห็นซ้าแล้วซ้าอีกคนเจวันเจดเดือนเจปีล้างความเป็นผิดอะไรมีก็อาบอก สมัย้จการทั้งดินสติปัญญาเจตดันเจ็ดเรือนเจดปีเต็มตาแล้วหันไปหน้าอนาคตขอเราไม่ได้โง่คนสมัยพุจัการสมองคนเมสันกวบาปกนเกิคนทเียรพอๆกไม่โง่ไม่ฉลาดพอกั่าคิดมากเรคิด ให้มาเห็นความจริงไม้ได้วิธีจะเห็นความจริงก็คือดูออกจากโลกของความคิดเท่านั้นจิตนี้คือจิตรู้ทันจิตกระโดดออกมเมื่อจิตกระโดดออจากโลกของความจริงเราจะรู้สึกกายรู้สึกใจได้แต่อย่ารู้สึกอยู่เฉยๆใหเห็นความเปลี่ยนแปลงเกิดขของมันเพื่อมันจะไม่เข้าใจผิดว่ารู้สึกตัวมันใช้ได้แล้ว สตัวเป็นแค่ต้นทางการปฏิบัติครือเป็นจุดตั้งต้น ท, ที่จะทำวิปัสนาคําว่าวิปัสนาธรรมต้องเห็นความเป็นใจหลักษณงต้องเห็นความเป็นใจรลักษของรูปนามใจใจนี้รู้สึกตัวอยู่ใช้หอดหวังทำจิตให้ดูจมีใมบอกว่าไม่มีจิต ผลิตลบใหม่ขึ้าอใจใครมีคำถามเกี่ยวกับการปฏิบัติเชิญได้เลยใจคำว่าจิตตั้งันจิตตั้งมันไหรู้จัจจกจิตที่ไหลไปไหมถ้าเรารู้จักจิตที่ไหลไปเราถึงรู้จักจิตที่ตั้งมั่นถ้าเราไม่รู้จักจิตที่ไหลไปเคลื่อนไปลงไปเราจะไม่รู้จักจิตที่ตั้งมั่จิตไหลแไปทางสวรรค์ทั้หด เราองดูสักเราดูที่ว่ามีจิตอิไรเราไม่สกจิตเยวมันอยู่ที่ไหนในขณะที่จิตเดียมันอยู่ที่น่มีใจลืมใจมีจิตลืมจิตรับไหมคือจิตนั้นตั้งม่กจะทำให้ลืมใจมใจมีจิตมันไหลเมื่ไหรไปต่างตาเราก็ลืมใจลืใจ ไร่ไปตั้งหูก็ลนึ่งใจหนึ่งจไร่ไปคิด ก, ก, ก็าาลนึ่งใจหนึ่งใจแค่เมื่อไรรู้กันว่าจิตไหลจิตที่ตั้งมั่นจะเกิดขึ้นแค่นั้นเองหลวงพบรรยายไม่ได้ว่าจิตที่ตั้งมั่นเป็นยังไงมันต้องสัมผัสด้วยตัวเองมันจะสัมผัสด้วยตัวองได้เมื่อรู้จิตที่ไหลปจิตไหลไปแล้วเรารู้กันที่จะตั้งมันจะมั่งเดี๋ยเรื่อหลไจิตคาว่าจิตฟุฟ้งซ่านนี่ก็คือคือ<ล>นี้แหละลจิตจิตมีุจจาะ จิตมีมีโมหจิตหลงจิตไหลเนีโมหะทังจมีทจจกเในโลกเนี่ยะคนที่รู้สึกโดยยากที่สุดมันมีแต่จิตที่หลงไปไหนเนี่ยจิตมีความอยากอยู่เนี่นั่นแหละแค่รู้เท่นันเองการปฏิบัติเนี่ยไมต้องถามเยอจิตมีความอยากยมันรู้สึกมันจะตันขึ้ก ล, งลังระบบความรู้สึกมันจะตัดขึ้ ตัวนี้ไม่ว่าตันนะตวนี้เป็นตัวโบกานพฤติกรรมทางใจของราแล้วพวกกลุ่มจิตใจได้แนละ้วตอนนี้ก็ใช้จิตใจที่มันกลุ่มแล้วมาควบคุมพฤติกรรมทางสายและ ว, วาจาของเราการปฏิบัตินั้นเมื่อความอยากขุดขึ้นมีสุดที่แล้วค่จะเห็นว่ามันขุดขึ้นได้เองจะไม่ได้เจตนาอยากพูดไหมใช่ไหมมันเกิดขึ้นด้เองแล้วนะมันก็ดับ ่ทั้งหลายเกิระดับตั้นสดูแบบนี้วิธีดูจบความสับยอจเป็นก็พันง่ายหนกย่าคือคืออารมณ์ปริมาตรปรมัตรกับอารมณ์บัญญัติบัญญัติโยมดูอารม์ปริมาตรไม่เป็นค่ะโยมดูตัวนี้เมื่อกี้โยมเห็นความอยากที่ปุดขึ้นไห ที่อยากขานค่ะนั่นแหละเห็นไหมเดยวนั่นแหละอารมณ์รรมมากเลยเห็นไหนเป็นความรู้สึกแท้ๆคนไทยอยากหรือฝะลังอยากหรือคนจีนอยากอันเดียวกันหมาอยากแนวอยากเทวดาอยากลักษณะเดียวกันไฟร้อนคนไทยไปถูกไฟร้อนคนจีนความร้อนเป็นของจริงหตุผลนั้แต่เป็นโรคเกี่ยวกับความอยากเกิดขึ้น ดังนั้นแสดงว่าอารมณ์ของจิตกับอาการของจิตต่างกันกนะครับอารมณ์แต่ว่าอะไรอารมณ์แต่ว่าสิ่งที่จิตจะรู้เท่าไม่ใช่อิมูชันนะอารมณ์คือภาบเซตจิตคำว่าอารมณ์อารมณ์แต่ว่าสิ่งที่ถูกตรู้จิตคืออะไรจคือผู้ตัวรู้่ารม มันเป็นนิยามสามข้อของชาวพุทธคนไทยเรากล่ารว่าเราใช้เนื้อสวนเองนั่นเดียวกับเบนท์คอร์ออบเจกต์สกายรู้สึกไหมว่าคนนนนี่สิ่งมันแน่นมันเล่ น, แ, น, น, แ, น, นแข็งๆ ข, ขึ้นก็อะไรเขาโลภอยากปฏิบัติ ไอ้อยากก็สุดก่อนแล้ว อ, อ, อเติมที่เมื่อกี้ท่านองออถามนีที่บอกว่าจิตตั้งมั่นและเป็นกลางอันนี้ถ้าปฏิบัติเนี่ยาไปปฏิบัติท่ า, ราพร้อมอไจจะสองอย่างหรือว่าให้จิตตั้งมั่น ไ, ไดกแต่ตั้งมั่นก่อนได้เป็นกลางสื่อตามว่าเป็นกลาง เ, เป็นกลางได้ไลเป็นกลางเสติเช่น ความปวดเขึ้นเราไม่ชอบความปวดเรามีสติรู้ตรหนว่าไม่ชอบความปวดแตอาจมความไม่ชอบดับทุบความปวดระดับนีีก็เป็นกางอันนี้กลางสติอีกอย่างหนึ่งกลางก็สมาธิไม่สุขไม่ทุกข์เลยกางนี่กางของเวทนาเป็นอีกเรื่องหนึ่งเกางของความรู้สึกกางที่เราต้องการกาง้ปัญญาการด้วยปัญญาเนี่ยว่าจิตได้ฝัน กระบวนการเรียนรู้ซ้ำแล้วซิำอีจนเห็นว่าความจริงความสุขก็ชื่วเก่าความทุกข์ก็เชื่อก่าทุกสิ่งเชื่อเก่าเมื่อจิตเห็นว่าทุกสิ่งเป็นของเชื่ก่าไม่ว่าสิ่งใดเกิดขึ้นจิตจะเป็นกลางด้่ยตัวของตัวิอก็เป็นกลางด้วยปัญญาปัญญาที่จิตทําให้จิตเป็นกลางชื่อว่าสังขารุปเกขาญาณสังขารุปเกศาญาณเป็นเป็นีตัดสนญญาณตัวสนใจ เกือบสุดท้ายอักจนั้นเป็นอรมณ์ยาทุกอย่างตัณโมากเลขึ้นไปเกิดโสดาภูยานักะยาโสดายาตรงนี้เกิดอัตโมมาเกิดเองเลยงั้นถ้าจะว่าแต่ละสัจารรมเป็นขาญยาเหมือนเป็นกระจงแห่งการบรรลาเรียมากกวเรามีหน้าที่ปฏิบัติอาชตพให้เห็นความจริงของทุกสิ่งทุกอย่างในเรื่อยจนเกิดปัญญาู้แจ้ง ก่าสิ่งเท่าไรบวกกนคืของเข้าเทียมกันหมดเลยความสุขกับความทุกข์เข้าเทียงกันกุศลกับกุศลเข้าเทียงกันแต่ไม่ใช่เข้าเทียงด้วยกิจกรรมจริงเท่าเทียงด้วยความเป็นไตรลักษณ์แต่ถามว่าเราเห็นว่ากุศลกับกุศลเข้าเทียงกันเราหยุดควาช่วงทําชื่อไม่ได้เพาผลของการทําดีกับผลของการทําชื่อไม่เหมือนกันเราก็ทําดีและทำเชื่อ เราทำชั่วไม่ได้จรอกาสติมาเลยกีเลเกิ น, นแล้วสติไม่เห็นเนีชั่วไม่ได้ถ้า ม, มีสติอยู่จิตจะมีชั่วดีครับแล้วกเราต้องพาให้จิตขอเราเองเนี่ยได้เรียนรู้ซ้าแล้วซ้ำอีกี่้เก็ทุกอย่างมา้ก็ไปทุกอย่างมาร่างกายนี้ร่างกายที่หยเมไปกล่เป็นร่างกายใหม่เครับ ร่า่ายหายข้าวท้องหายไปร่างกายไมเจ็บร่างกายยืนเดินนั่งนอนก็ทำงานเปลี่ยนแปลงเอเป็นของชั่วคราวที่เกิดจิตใจสุขจิตใจทุกข์ร่างกายสุขร่างกายทุกข์ก็ชั่วคราจิตใจเป็นกุศลอกุศลก็ชั่วคกาจิตที่รับรู้ว่ารมทางตาทางหูทางใจก็ชั่วคราวเป็นเก็บไหยทั้งใจทังหอว่คุ้ บางทีก็มองง้าก็ม่รัรู้ว่าลมาตาตาบางีก็ตั้งใจฟังฟังแล้วก็เอาไปคิดแหลกเดี๋ยวฟังเดี๋ยวคิดเดี๋ยวดูเนี่ยจิตเกิดดับเราเข้าดูจนเห็นเลยคืออย่างเดอือย่างนี้เข้ากเกี่ว ย, กเก ว, ยกเกวเนี่ยด้วยความเก่งไรักษถ้าเห็นอย่างนี้ส่างแมาหิงจิตจะเข้าสู่มเกิดเกิดส่เกิดขึ้นจิตไม่ได้นอนเข้าไปยึดถือ กเกิดขือนจิตเม่ได้นอนหลับใสจิตหมดความยิ่งอนเมื่อจิตหมดความยิ่งนอนหมดความหลงแตกยสังขารเคือนพิาก็แจ้งขึง้นถ้าไม่เป็นกลางและแมีควา ม, ามสั่งสังเกตดวับเคื่อนไหวถ้าเข้าถึงความยิ่งะเมื่อหมดความเคื่อนไหวน้ำสองครั้ต่อข้อสขนสูงต่เครื่องเอ ถ้าติมันเข้าเทียมกันไม่มีคอาเครื่องหมายเปนตั้งคู่สนัู้สนจบทุกเข้าเทียมกันจิตจะหมดควาเครื่องหยจิตหมดคาเรื่องหมยหมดคุ่นแต่งเราจะเห็นธรรมะที่ไมตุ่นแต่งอยู่ตั้งแต่จิตของเรามีคุณภาพแค่ไหนเราก็เห็นสภาวะดำแค่ไหนงวันไหนจิตใจเราสร้างสนโลกสร้างสโลกหว่ยนหน่อนไหนจิตใจเราล้าเลยโลกก็ดูสดใสเปนั้ ในจิตใจเราต้องเป็นกลางด้วยปัญญาพวกนี้เป็ น, นโลกาเป็นหนักลองที่ครูบาตาจารยมามาเป็นโลกราเป็นหนัากลอของจริงเลืนะ้ไม่จริงจริงต้องก่อมาคิดเอาไม่ได้พวกเราชุดเยอกรันวิชาจ์จบตัวนล้ คิดเย้ะกว่าดูคิดเยอกว่ารู้อันนี้เป็นความราบเรียบไม่กระเพื่อของลัคนูปนิชฌาอันนี้นเกิดือเปลกิดได้ลัคนูปนิชฌานี้ก็เดินนิพพานาเปินปปนิพนานสุดจิตมันขาถึงสันารุปเป็ขนันนตรงนี้จะเป็นรอยแยกยนะโกเหนือเปลี่ยนไุทโนี้พอมาถึงตรงนี้แล้วเราเลื่อน เื่อนของหมูสัตว์ทั้งหลายแม่ของเราก็ไม่รู้อย่างนี้เราทาห่างทางแค่เป็นกับใจสงสารนะอยากให้รู้ว่าใจไม่ไจมาก้แต่ถ้าใจเห็นทุกเห็นโทษของวาตตะใจนี้จะเกิดเมื่อเี่สขาเรกโรพุยยานยานมวนเสื่อนั่นนี่โทษกระพุยนี่เกิดเมื่อเดแน่นอนเกิดแน่อนชั่วขณะระเบิด กาะจิตจะเข้าพนาถึงไม่เคยเข้าพนาเลยเวลานั้นจะเข้าพนาคือไม่เจตนาเล่นดูต้นไม้ดูลมพัดใบไม้ไหวอยู่จิปัญญากแกะว่าพอเข้าตรงนี้ชัว่วแบบเดียวเสร็จแล้วมันเป็นเห็นสภาวะเวลานั้นเรี่ยสมาธิอัตโนมัติเกิดขึ้น จิตจะรวมลงที่จิตสติจะนำมาวัดเปรียบด้วยสติเราเลองที่จิตโดยไมมีเจตนาสมาธิเกิดขึ้นเพโดยไม่ได้เจตนาสติเกิดขึ้นโดยไม่ได้เจตนาเตาว่าทในระดับองาสาวมไปในแต่สามา่อะไรเกิดไได้คืออะไรก็ไม่มีสมมติประจ แต่าวนัจากนั้นนะถ้าจตจะแจ้งสติสมาธิปัญญาบริบูรณ์สมดุลตัวนี้มันะตรนักหมดด้นนสติสมาธิปัญญาเกิดขึ้นมาแต่ละมันเนี่ยไม่มีความจงใจดปราศจากความจงใจความจงใจมมีศับเลี่ยงเฉพมนโนสัญญาเจตนาตัวนี้ร้ายกาที่สุด ปฏิบัติเนี่ยมันตายผานมโนสัญญาเจตนานี่นมันหมจงใจไม่ได้โลกพิริศมันก็จงใจนะให้ดูซะหน่อยสิวันนี้จิเตเป็นงไงเสร็จแล้วแต่เรื่อต้องจงใจก่อนานอัตนัด น, นัเพราะทุกอย่างอัตโนมัดมนโนสัญญาเจตนาไม่มีมนโนสัญญาเจตนาเนี่ยเป็นปันใจจัยให้เกิดการจะทํากับของจิตให้จิตทํางาน เพ ต, ตาจะจาการสัจมาโนสัจเจตนงานสติสมาธิปัญญาในทำงนานอันตมมันคือตันโดยไม่มีการสร้างขบใหม่เองสิทคจะทำไม่เก่งอันนี้ค่ะไม่มีใครสอนหรนะองตรงนั้นจะเป็นเรียกว่าสัญญาบริสุทธิ์<ช>ไม่ไม่เป็นคือใ น, ในปฏิปทานสี่ก็มีว่าเมยตนะหก เกิดพัสสะเวทนาเกิดสัญญาแล้วต่อมาเป็นสัญญาตสนาเป็นเรื่มันพันโนเป็นสัญญาติสนาแล้วเกิดตัณหาวิาตกวิจารไม่นะมนะตนนีตัณไม่เกิดตนนะไม่เกรมะนะงจริงล้วนๆที่รเจ้าสอนต้อดูใหเห็นร<ม>ชิดเอาไม่ได้ ือว่าพวบคมชุดประเด็นยังเบสิกว่าอาจารย์ก็เช่นเดียวก<อ>ันไบอกให้ปัญหาใหญ่ของที่นี่คืออะไรรู้ไหมตรงไปตรงมาเลยนะก็เป็นหมอกระดับเพิ่มเลยว่าผู้ทำก็มาอย่างน้อยมากพนะว่าเบสิกมันก็มีเริ่มต้นจากสิ่งสมาธิปัญญานล้วคำว่าสิ่งนี้เราต้องบริสุทธิแค่ไหนกันไปตั้งดาวเป็นปัญญานด้หรือว่าความสมดุล ศีลเป็นแค่เครื่องมือตัวหนึ่งในการข่มจิตศีลนี่เป็นเครื่องข่มจิตนะไม่ให้ทําตามกิเลสสมาธินี่เป็นเครื่องข่มกนะิเลสไม่ให้ลปอ ล, หลอบนำจิตปัญญาเนี่เป็นเรื่องเข้าใจความจริงของกิเลสและจิตมันเป็นงานที่แตกต่างกันศีลที่เรามีเนี่ยศีลห้าศีลห้าขาดได้ไหม เสมอแหละอย่างแค่เราต้พูดโดยที่ไม่จําเป็นต้องพูดโค้ช เ, เจอร์ล้วสีด่างเขามีไม่พวกเราพูดโดยไม่จําเป็นต้องพูดเห็นไหมสีถึงจะพ้องกัาแตงนะ <laughs> แต่ถ้ามีเหตุจะพูดแล้วไม่พูดเรื่อเป็นข้อวัดที่ใช้ไม่ได้ทางพรเรียกหมู่ขวัดมู่ขวบวัดอื่นวัดของบัวบัวไม่ต้องพูดบุิธรรมชาติ รักษาศีลนะศีลห้าตอทุกวันตื่นขึ้นมาก็ตั้งใจว่าวันนี้เราจะไม่ทําผิดศีลหตอนกางวันก็ตั้งใจอีกทีช่วงบ่ายเนี้ยเป็นตั้งใจเนี้ยเราก็ไม่ทําผิดศีลตอนเย็นก็ตั้งใจแม่กาอนนอนก็ตั้งใจแม่เอาให้ได้เวลาสีรอบตั้งใจแล้วถ้าใคเปลี่ยนเปลี่เรื่องให้รักษาศีล มีศีลนีนะ่ทำให้จิตสงบง่ายศีลเนี่ยมันเป็นแค่ด่านสุดท้ายนะเาะะนั้นหลังจากนั้นแอกิเลศศนะีลเนี่ยจิตเรายังอ่อนแอ ม, มากเราสู้กิเลสไม่ไหกิเลสมีกำลังกล้ามากไม่สามารถจะสู้กิเลสไดนะ้เลยเราก็ต้องสู้ด้วยศีลคือปกใจว้ กิเลจะสั่งให้ฆ้าไม่ฆ่าจะสั่งให้ตีไม่ตีสั่งให้ดา่าไม่ดา่าสั่งให้โง่ไม่โง่นีคืข่มใจเท็จแบกบปั น, นเนื้อเศรษฐีต้องมีตัวเจตนาะรู้เนี่องคืจะเป็นศิลป์อย่างเช่นว่าอายุมากอายุร้อยสี่สิปีนะเจอยีิงหนุ่มสวยๆอยากเป็นชู้ระมันไม่มีปัญญาเป็นไม่ใช่ก็เป็นศีลเป็น เครื่องเพชรเนี่ยวางขายอยู่ตรเนี้ตํารวจคือตัวนี้เยอะแยะเลยยังเอาไม่ได้บอกไม่เอาอันนี้ไม่ใช่ศีลเราได้นั้นไม่ห่อ่างนี้เป็นศีลผมใจไหมอันนี้เป็นศีนลต้นต่ อ, ตอตไปมันมีศีลที่สูงขึ้นีลยอาศัยสติรักษาจิตเมื่อกิเลสเกิดขึ้นอันเร่งเขอ้ากำจิตเลยศีลจะเกิดขึ้น มมสีนี่เปนกรามเป็นปก ต, ติของจิตไม่ได้ข่แต่ศีลทั่วคร ท, ที่เราต้อ ง, งสึกกับศีลที่ปกใจไม่ให้ตั้งกทีเึงศีลห้าก็มีคนไปถามหลพ่อเขาเลียงปลาเ น, เนี่ยเขาทำบาปเขต้องเลี้ยงปลาถึงเลี้ยงไ้เท่าไหร่เดือนไน แ้ววจับปลาปขาดสีก็ไม่เคยบริสุทธิ์นี่ภานาได้ไหมมัน อ, อยู่ที่การวางใจให้ถูกนะทุกวันคิดจะฆ่าปลาไนมะไม่ได้คิดจะฆ่าปลาคนะิดจะทำอะไรคิจะเลี้ยงปลาให้ตัวโตห น, นะะ่อยแล้วสียังไม่ขาดนัดหรอกนะสีเป็นขาดตอนที่จับปลาานั้นเรื่องเวลาที่เหลือที่สียังมีอยู่นะช่วงนี้รีบต่อนา เราสามเราถ้าันไม่บาปบาปบาปเนี่ยนะทาโดยที่รู้อยู่ไงพวกเราถ้าสามโลกทําคิดทั้งที่รู้เนี่บาปมากแต่ถ้ารู้ผิดชอบชั่วดีอยู่แล้วจำเป็นต้องทำบาปน้อยกว่าน้ำหนักเขาเปรียบเทียบเหมือนอย่างเรารู้ว่าเด็กที่เผาไฟร้อนๆแดงๆเป็นอันตราย คนหน่งรู้ก็นหนึ่ไม่รู้สองคนนี้เวลาจับมันจะไหม้มือไม่ทเท่าไอ้คนที่รู้โทษมนะันจะจับแบบระวังมากเลยนะให้ไหม้น้อยที่สุดเลยไอ้คนไม่รู้ป้าเต็มเหนียวเลยสภาวณ์ควาผิดจะเกิดถ้ารู้ผิดชอบชั่วดีบาปบาปไม่ บ, บ, บ, บาปนะคไม่รู้ผิดชอบชั่วดีด้วยบาปมาเขาเจอด้วยมีฉาดผิด เรื่องกรรมฐานนะถ้าเป็นเรื่องอื่นๆถามกันเจ็ดวันเจ็ดคนไม่จบหล่อานงที่วง่ออ่าตอนที่หลวงพ่อเเราไปไม่ทำไมลักษณะของสติที่มันจะรู้ตัวเนี่ยมันจะหลงเจอตาหรือที่มันแรงทั้งบารมีเราไม่อารมที่แรงเนี่ยมันถึงง่าย แชีช่ยวชาญศีลธรรก็เคิเกิดเมื่อตอนเล็กๆที่พ่อไปแรกนาจากพุทธประภัตเดินแล้วที่เลี้ยงเราท่านไปหวังในใต้ต้นไม้ท่านรูปขึ้นภาวนาลมเตําหาขอกได้ะสมในฌานฌานตัวนี้คริฌานที่จิตเป็นรู้ไปท่านไม่มีอารมณ์ที่รุนแรงมาประทบเลยท่านทกส่วนนี้ให้เกิดขึ้นได้มันกลับมาแล้วท่านก็ลืม เช่นเดียวกันทุกตัวนี่เป็นวที่แปลว่าแต่ในอารมณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นในตัวเราเนี่ยอารมณ์เนี่ยนะก็เป็นอารมณ์สะปูนโศกศัตรูง่ายแต่มันจับยากนะสะปูนโทกศัตรูงโยมจับยังไงก็จับไม่ได้พคือพอมันจะเห็นอีกทีนี้ก็คือมันร้อยสิองศาไปแล้วค่ะแล้วแต่ ไ, ไม่รู้ตัวร้อยสิบองศา ไปจับลงขณะที่มันเกิดโผสะไม่ได้เพราะถ้จับได้เมื่อไหร่โผสะจะหับทันจีการดูจิตเนี่ยมีการดูทิ่ต่อเ น, นื่องกับปัจจุบันจะไม่ใช่ดูลงปัจจุบันแน่ๆดูกายเนี่ยเรียกว่าปัจจุบันขณะขณะนี้แหละรู้สึกได้แต่ดูจิตเนี่ยเป็นปัจจุบันสันติรู้สึกเรื่องปัจจุบันในขณะที่โผสะเกิดอยู่สติจะไม่เกิด น้อสติไปเราลึกได้เมื่อโทรศัท์เกิดเปนยังไนั้นเป็นธรรมดาแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันเป็นกระแสของความอ่เ p r e s s e แบบนี้โยมจะมีความรู้สึกว่าพอจะทันเห็นอยู่สแสดงว่ามันเป็นอารมณ์ลักษณะเนเจอร์ของการเกิดไม่เหมือนโทรศเหมือนกันแต่คุณโทรศัท์ด้วยกันเป็นตคุณโทรศัท์นแต่ตัวนั้นมันแรงจนสตีแตก อยู่ไม่ตนตอนนั้นเองว่าไงปกติที่เวลาปฏิบัติที่ของความรู้สึกรวมรู้สึกว่ามันแนบไอหมดแล้วลูกคายาจะทำเรารู้สึกว่าที่ททำอยู่ใช้ได้นะจิตเริ่มกื่นันเริ่แยกแล้วแล้วามสีทำยังปฏิบัติสองอย่าง บางิได <enders. S 2> ้ยัง่ว่าถ้าถืว่าไยสีงกระทบรัอะไรมาก็ให้รู้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นะตาบูจมูกเรียนใจเกกระทบรมณ์ก็เขาปธรรมชาติแต่พวน้าเกิดอะไรขึ้นที่จิตรู้อย่าไปจับรู้ทนาจับรู้ที่นี้จะนิ่งไปหมดนิ่งไหมดกิเลสไม่กดนสก โยมเพิ่งตอนถันนะคะแล้วฟังซีดีของท่านมานานแล้วค่ะก็รู้สึกซาบซึ้งเดชธรรมของหลวงพ่อ น, นะคะแล้วก็เข้าใจค่ะนี้เริ่มปฏิบัติก็เดินจนกงกรมว่าโยมคนหายเปิดนะคะไม่ชอบ น, นั่งนั่งแล้วจะมาก็เดินจรเดินปฏิบัติโดยแล้วก็หลังจากกลับการแชร์อิตาลีเแล้วเป็นหวันนะคะเป็นหวัดก็เกิดความไม่ที่หลวงพ่อจะมาจะหายคัน ก็รับทานยานะคะแต่ก็ยังปฏิบัติะะเดินจมูกทีนี้มีอยู่คืนหนึ่งนะคะโยมเห็นค่ะโยมเห็นร่างกายเนี่ยมันพลิกตัวนะคะเด่นเป็นร่างกายมันพลิกเสร็จแล้วก็มันหายใจคลืค่นๆมองเห็นมันหายใจคลื่นๆนะคะแล้วก็มองลงไปเห็นปอดมันเนี่ยเป็นหนองค่ะแล้วโยมก็เอง เห็นมันเป็นหนองแล้วมันลุกขึ้นเดินลุกขึ้นเดินโยมก็มองมันอยู่แล้วก็เข้าไปห้องน้ํำทอไปท้องน้ําแล้วมันก็ไปข่าวเอาเสียาออกแล้วก็นั่งโซ่แล้วโยวก็ไม่รู้สึกอะไรรู้สึกเป็นคนปกติอีกเอเมื่อกี้เราเป็นอะไรฝันไปหรือเปล่าหรือว่าอะไรไม่ทราบจิตมันมีเพียงมีสมาธก็น้อก็เห็นมันเห็นเป็นปอดมีหนอนรู้สึกแบบ แต่เป็นฝันไปหรือเปล่าคะที่มีจิตมันมีสมาธิมันไม่ได้จงใจแต่โยนนอนรู้สึกว่ามันไม่หลับนะคะตื่นอยู่เลยทําไม่ทราบแต่ว่ามันนี่มันมันเหมือนหลับแต่มันไม่ได้จิตมัมีสมาธิแล้วจิต ม, มีสมา ธ, ธิรู้อะไรก็ได้แล้วยมใช้ทํางานบ้างคทาสีระเบียงหลังบ้านนะคะไม่สบายด้ยแต่ว่าอยากจะจิต สีแล้วก็ฟังซีดีของหลวงพ่อนะคะก็คาไปเรื่อยๆสามวันหมดค่ะสําเร็จหมดกลางกลางกลางระเบียงนะคะออกมาสวย <c oughs> แล้วก็ไม่เหนื่อยด้ยค่ะมันคาไปทั้งวันทั้งคืนไม่มีความ เ, ยเลยแล้วก็มีความสุขด้วยเวลาะะเรื่ออยู่ในสมาธิค่ะแล้วก็ฟังหลงพ่อเทศไปเรื่อยๆนี่สแสดงว่าฟังหลวงพ่อเทศแล้วมีความสุขค่ะมีความสุขจิตก็ได้สมาธิทำไปได้เรื่อยๆแล้วบางทีทำขนมอะไรเนี่ยค่ะ มันก็มีสมาธิเกิดขึ้นนะคะโยมเคยปั้นสาคูไส้หมูเนะะี่ยค่ะเอาไปขายงานสงกรานกระมังใหญ่มากเลยนะคะก็ยังคิดว่าเอ๊ะมันจะปั้นไหวไหมเท่เยอะเดี๋ยวเอาไปลงแขกที่วัดดีกว่านะคะก็ลองปั้นดูปั้นปั้นโยมปั้นอยู่ทั้งหมดสชั่วโมงครึ่งไม่ได้ขยับขยันไปไหนเไยปั้นจนเสร็จหมดเลยะคะ่ะแล้วโยมเห็นมันปั้นเห็นคนมันปั้นเออช่องเห็นนะ มันปัดแล้วมันเดินไปล้างมือที่กลาง น, น ะ, น ะ, ะที่เรามาเนี้ยต้องตกใจนี่แหละ <c oughs> แล้วมันก็เดินไปเดินมาโยมก็ดูมันมันทำนั่นแหละมันมีความรู้รสึกตัวเพื่นมันขันมันแยกนะเห็นกายไม่ทํางานแปลใจเป็นคนดูสบายๆแล้วมันมีความสงขมากเลยค่ะก็มแหละต่อไปสมุิว่าเราเจ็บน ะ, น ะ, ะเราเจ็บเราตายนะด้วยอย่างนะใจเราก็มีความเฉื่อนไปด้วย แลวอย่างเมื่อวานนี้เนี่ยคะยมเรียนของพอโยมท้องผูกค่ะตอนเช้าแล้วเป็ไป่ายก็ท้องผูกแต่เราก็สองสามครั้งไดเข้าแล้วพอสุดท้ายท้องเดินอี่มันเหมือนเหมือนกับมีแก๊สมันมจุกอยู่ในข้างในโยมก็ดูความปวดร่างกายมันปวดทำไมจิบก็ไม่ปวดกมันด้วยก็ปล่อยมันนะคะแล้วเดี๋ยวมันก็มันความปวดก็หายไปนะคะ ลูกชายเขาบอกว่าสงสัยมาจะเนา่าพราะหลุงพ่อประหดมาพี่เาบอกอย่างนั้นเลยแล้ววันนี้ไม่เป็นไรเลยคะ่ะไม่ท้องเดินไม่อะไรสบายกิตสบายดีย อ, ยอยากไปนะกราบขอบใจมาทํา ง, งานดูอย่างนี้ก็อพอแล้วยอมอยากจะกราบขอพระคุณหลุงพ่อสีดีของท่านประโยชน์มากเลคะแล้วพี่สมพรกับพี่ประทับ ที่อยู่แถมปาส่งมให้โยมเป็นประจำโยมก็เอามสง่งมาใ้เพื่อนพ่อแม่ด็กเอรหลวงก็ปีแจกใครฟังสึกฟังแล้วเข้าใจนะาอันนี้ที่เรียกว่านามรูปปริเชตญา่เป็นแยกกันใช่มันเป็นชาต ญ, ญาติหนึง่งแยกที่หนึ่งถ้าไม่เริ่มจากตัวนี้นะไป่ไม่ด้เจริญมาหาบนะุญแ ย, ก, ย, ยกใจแยกใจไม่เป็นนะามาคุยบวดเราธรรเจริมปัญญาพุทธาสนา คือมันด้วยการเห็นไม่ได้คิดว่าเห็นเห็นเป็นรูปรู้เป็นนามไม่ใช่นั่นเปนคิดดานันไม่ไม่มีปัญญาเลยนั้นวิตกม่าเขาเขาจะสอนกันอย่างนั้นเขาสอนอะรเขาสอนเป็นเป็นรูปแบบคือนกเป็นรูปความคิดหรือความคิดวิทยาศาสตัศานะว่าการเห็นวิเแจ้งมีทยศ์เห็นแจ้งเห็นจริงเห็นถูกมีเห็นไตรลักของรูปคิดอยน้เรยกม่าวิตก าจารไม่ได้สอนวิตกแคสแกแค่เห็นแค่แค่นึ่งนะเวลานึงบางคนอะวิงเพ่งไหมค่อยๆแพ่งนะดึงๆความรู้สึกตัวเข้ามาเรื่อยดึงเข้ามาอัดๆเข้ามาแดงๆเข้ามันิ่ง่าอัดเข้ามานรือยๆจมันแข็งเลยใจโล่งๆก็จร เออใช่แค่นีก็ตายแล้วง่ายจะตายเราไปอัดเพิ่มไ่หงอ่ะเหมือนมีล้อรถเกิดยางรถเกิดเหวแล้วปั๊มลมใส่ก็ไปเรื่ อ, อยๆแค่ปล่อยออกไปก็าหายแล้วแล้วที่กัานว่ายอมแน่นนี่ก็คงแบบเดียวกันใช่หต้องถอนหายใจยาวๆบาคนต้องอนหายใจทากคนต้องไปเตนดิสโก้ก็โยมเราทําหมือนกันเมื่อถอยใยาวก็ไม่หิอมนเราช่วยมช่วยช่วย ไปๆหมักตอนนี้เล่ากแล้วลกระด่งางใหม่ <c oughs> เลิกเตนนี้เอาไว้ร <c> ข <oughs> องโยมเห็น่มันจิตอันนี้ไนมันองโยมเห็นนะแต่จิตมันเครียดไปจิตจสบายว่านะแล้วนี่ค่ทีโยมดูเดี <c oughs> ๋ยวนี้นะดูพี่ยอะๆใ น, นัดูเวลาจิตเราไปยึดในความคิดความเห็นเนี่ยเราก็ารู้ทังสุนีให้มาก มันจะมีความคิดความเห็ น, นขึ้นมาเพราะมัก็ไปยึดมันจริงจังตัวนี้ถ้าตัวนี้คลายใอยาคลายออกใจจะมีความสุขึนใจคลายแล้วจะดูล่าขนขึไปดูเวลาจิตมันไปยึดในความเห็นนะมันต้องคิดใช้ใจี้แาน ก, ก, ก็ได้ตังซีลสของอมาสักีค่ะ ีย<อ>แ ก, ยก็เห็นความเปลเี่ยนแปลงเยอะมากเห็นหนต่นางๆที่อลไรต่าวาวเยอะแล้วก็ก า, ารปฏิบัติก็คิดว่าอย่างเป็นผู้อย่างเริ่มต้นหม่ค่ะยอมมีความรู้สึกเห็นโมหะคือข้อาสะ โ, โมหะเยอะนะคะแล้วก็วอยาีเกลี่ย อย่างเกลียดมั่นอยู่เวลาปฏิบัติก็ยังไม่ได้นานแต่บางทเป็นคนชอบใครเปิดแต่มาปฏิบัติมาเราไ่ไอยู่นิ่งไหนถ้านั่งดีนั่งต้นน่ะขยับเท้าอยู่ขยับเล็บอ่แต่ก็ไม่อยู่นิ่งก็อยากขอความมตตาพ่อว่าจะทำถุดแล้ว ยอมนี่ควรจะคือคือจะใช้วิธีดูลมหายใจนะคะสึกว่าถูกกับตัวเองแต่ว่าตอนช่วงเมื่อสักเกือบสองอาทิตย์ที่ผ่านมายอมก็ขับรถไปที่วัดจะไปวัดคือบ้านนี่จะห่างจากบ้านลาวเกบสองช่วมงก็จะไปเรียน ทำความสาดสวนยังพี่คนดูแลดอกไม้แต่ยังตอนรับหลวงพ่อเกี่ยวกับสวนเฉยๆมากก็พอดีวันนั้นมีความสุขมากค่ะับรถกลับจากบ้านแล้วก็ฟังซีดีหลวงพ่อรดซดีของพ่อจะอยู่ในรถตลอดไวลาแล้วก่อปิดก็โดยที้ไม่ได้นั่นเก็บแล้วไม่เป็นเปิดใหม่ก็คือต่อ ฟังไปวันนั้นจิตใจปลอดโปรมากแจ่มใสแล้วก็มัสักช่วึ่งคือเข้าใจลึกซึ้งทุกคำพูดที่เขาพูดอยงนั้นเพราะว่ามีหลายหลายครั้งขณะขับรถนี้ก็คิดว่าไม่ได้ไม่ได้ไไดฟังตลอดบางทีจิตใจก็กแปกแต่บ้างก็มีความรู้สึกมีอะไรเออเอออในความสุขใจมากแล้วก็มีเหมือนบอลูน กาพุ่งพุ่ขึ้นมาก็ขับก็ขับรถต่อไปแล้วก็หายไปชนะเป็นอีกสก2ครั้งเนี่ยก็อันนี้เป็นประสบการณ์หน่ที่ยังไม่เคยประสบกับตัวเองมาสี่ตัวน้าอลุดแล้วับมันแย่งจินตั้งมา่รู้สึกเกิดไหเป็นแม่กลยกับจิตเพื่อานความสุขความทุกข์บิต่นานกศลกุศลเจิตเพือนาจิตเกิดดทางธรรมะทั้งหมด ทำถูกันทำได้ดีนะอานตย์นี้เราไม่รีบร้อนว่าจะบระรลุเมื่อไหเาาวิปัสสนาสวนเจ้าสวนมนก่อนนี่จะช่วยได้แล้ ว, ล ว, ว, วดีน<ล>ะสวนะครับพระพุทธเจ้าจิตท่านไม่ผ่านลพลังงานที่ท่านที้งไว้เราสวดมนต์เรากระลึกลึนสัมผัสได้นะช่วยการพาวนา บุ่สปีนะคะา้ลอที่จะได้รียการิธแะการะโยมาจเวาเรียนการิธีว่าต้อังปฏิบัตสมัยุกาลีรวะมาบวชท่าน เ, เพื่อนกันท่าน่นานเลือกเรีเรนปริญญาปริญญามีตั้งแต่พุทธกาลอีกขั้นหนึ่งบอกว่าอายุเยอะแล้วออกปฏิบัติดีกว่าสองคนเพื่อนกันที่ปฏิบัตเิเป็นบรรลนนะุภาตอันเนี่ยเพื่อเป็นอาจารย์ใหญ่มีชื่อเสียงแลวความรู้เยอะคือสุดท้ายนะี่พุทธเจ้าปักสิทว่าอคเยอะไม่ได้เรื่องเลยไม่มีความรู้เลย องที่เรียนปริยัตแตกฉานสอนที่ต่ำสอนเลยได้องค์นี้ท่านอนุโมทนาคือลูกศิษย์ของราปริยัตเนี่ยไปดูถูกราผู้ทำพระเจ้กาก็เรียกทั้งหมดมาทั้งทั้งสององค์เลยจากลูกศิษย์ของราปริยัตเรียกมาแล้วผู้เาติตั้งคำถามราปริยัตเนี่ยตอบไม่ได้เลยทุกข้อแท่านถามในภาคปฏิบัติก็ตอบไม่ได้เลย ถ้าปฏิบัตตอบถามอะไรก็ตอบตอบประโยชนหนึ่งคือเจ้าภาษาทูกถามต่อภาษาทุกอีกล่าเรือนๆคือเจ้าเรียกหายอีกนงจำชื่อท่านไม่ได้แต่ต่อหลท่านก็ปฏิบัติเช่นกันนั่นนายเม่อปฏิบัติเพราปัจจุบันปัจจุบันปัจจุบันเนยอะไรเป็นปัจจุบัน รูองจริงของจริงเนี่ยอยู่ในปัจจุบันดัที่ว่าเราต้องรู้อารมณ์เป็นปัจจุบันอดีตมันจบไปแล้วอนาคมันยังไม่มีสิ่งที่มันมีจริงคือรูปนามในปัจจุบันคอยรู้สึกรูปนามในปัจจุบันเองปัจจุบันสั้นนิเดียวในในเรื่องอวิชาปัจจุบันมันแปลว่าปฏิเสธุโ บ, บา <laughs> ทใด ท, ที่ใที่ติดตกไปสู่ความคิดกาดจากปัจจุบัน ถ้าจาการ ร, า ร, าาางงรู้รูปนามลงในปัจจุบันเราอย่าเป็นเพื่อว่าปัจจุบันเฉยๆฟังมาหวงก็คือรู้รูปนามตามความเป็นจนริงในปัจจุบันนี้พระโยมทําทสมาธิมาหลายนนปีกันนะคะทำสมาธิเสร็จแล้วก็เป็นรูกศิษย์หลวงพ่อเทียนท่านก็สอนสอนอวิธีทําแบบยกมือแล้วก็เดินจงกรมแต่ท่านก็บอกว่า ถ้าอถ้านั่งอยู่แล้วจิตรวมให้เปลี่ยนเป็นเดินจงกรมแต่ถ้านเดินจงกรมแล้วจิตมันโรนก็ให้เปลี่ยนเป็นนั่งทางําเสร็จแล้วโยนก็มา ก, ก็เลิกเลิ ก, เลกสมาธิเจ้าทำสมาธิก็หันมาทาําเสร็จแล้วเออโยมีฟังฟังซีดีของท่านท่านบอกอย่าทิ้งสมาธิจะทําให้จิตมีกําลังโยงก็กลับไปทําสมาธิอีก เสรแล้วมันไม่เหมือนเดิมแตแ่วบางครั้งจิตพอมันสงบแล้วท่านก็บอกว่าให้พิจารณากายท่านให้พิจารณาอย่างไรครับในได้สําหรับคนติดสมถ ะ, ะก็เข้าสมาธินิ่งนะจิตออกมานล้วก็นิ่งอยู่นะั่นแะจะไปดูจิต ด, ดูอะไรเงี้ดูไม่ได้มาดูกายดูร่างกายดูยังไงถ้ า, ถาใจมันซื่อบือ้อดูสมาธิชนิดซื่อบือ้อ เข้าไปนั่งแล้วก็เงียบนะออกมาแล้วก็ซื่อบื้อติดออกมาอย่างเนี้ยให้คิดเลยเพื่อกระตุ้นให้จิตทํางานคิดไปถึงเรื่องร่างกายสัมผัสดูเลยผมเป็นอย่างนี้ผมมีรูปไรอย่างนี้มีสีอย่างนี้มีกลิ่นอย่างนี้ไม่สวยไม่งามสกปรกอะไรต่างกระตุ้นคิดเลยคิดเพื่ออะไรเพื่อให้จิตมันเคลื่อนไม่ให้จิตมันติดนิ่งติดเฉย พอจิตมันเคลื่อนไหลเปลี่ยนแปลงได้เราก็ดูจิตต่อไปเลยถ้าเป็นอูบายยกจิตสมมติคนที่ น, นั่งเสียตัวก็ยกขึ้นมาสู่รักขณูปนิชฌาในในความเป็นคือใจมันซื่อบือ้อรู้ตัวมีเฉยๆแต่ตัวมันก็ยิ่งนั่งนะสงบ น, นี่นนอแต่ตอนที่ทําความสงบให้มันนิ่งค่ะพอมันนิ่งแล้วก็ให้พิจารณาร่างกายรางคนบอกไม่หลุดเพ้าะกระมดไม่ให้ทําสมาธิ อันนั้นสอนพวกทิกติสมาธิซื้อเบือเอ่อท่านบอกไม่ให้ทิ้งไม่ใช่หรืไ่้ทิ้ค่ะไม่ใหิงเพมันรู้ได้สีสมาธิปัญญาต้องครบอค่ะอทิ้สมาธิไม่ไดสมาธิมีสองงานที่ที่สงบอยู่ในอเรมณ์เดียวไว้พักอ่อนก็ไม่มีนะใช้แห้งแรงแถก็ไม่มีเลยนะไปได้ได้แต่ได้อย่างแห่งแรงใ น, าานแต่ลนาคามสมาธิที่ทิ้งไม่ได้เลยสมาธิตั้งด้าน รักนลอยพุทธชัดธรรมจารท่านขอถามีครับคือว่าในซีดีของท่านท่านพูดเรื่องเจริญสติวสิบชัวโงด้วยทําไม่ได้เพราเวลานอนหรือเวลาคิดผมผมก่ผมปกติขับรถวันลประมาณ 1-2 ่งชั่วโมงผมเราอยากทราบว่าเราใช้เวลาขับรถเจริญสติคือจะเทียงถ้าถ้าถ้าขับรถนะต้องเจริญสติชนิดที่ไม่ เสียงกับการที่จิตจะรวมขับไปสบายสบายเปิดซีดีฟังกันแต่เมืองเนี่ยขับรถแล้วเจริญสติยากขับรถเรียบร้อยถ้าเมืองไทยเนี่ยเจริญง่ายมากปาดซ้ายปาดขวาเสือก็โมโหแล้วระวังนะขับรถนะขับรถก็ตั้งใจขับไปเจริญสติถ้าไม่ชํานาญเนี่ยมันพลิกไปเป็นสมาธิ จีดรวมอีมีกว่าหนึ่งในจิดรวมบนถนนเห็นใฟแดนะไม่รู้ว่ามันคืออะไรส<อ>่วนในรถที่จอดเท่านัานะ้นวนทีเดียวห้าคันเสียไปให้กลับรถอีกแล้วทีเดียวนี่ถือว่าขาดสติกสติก็ ส, สมาธิมันครอบเมานะมีสมาธิมากนะสติสามท่าน ข้ามาวกมาจากพ น, นินะะะีนนนคะเาตควมถ้าก่อนดู <force> จิตไม่เป็นเลยแต่ทีนี้เริ่มเร่มเรียนรู้จากชีวิตปราวันแล้วก่มเริ่มห็การแตกนะต่อเวลาอกนิดนึงเวลาดูเนี่ยจิตมันถล่ลงไปดูไม่รู้ทันว่ามันถล่มนะเห็นเมียี้ที่ว่าดูจิตไม่ได้ดูจิตหรอกแต่เอาจิตไปดูส่งจิตไปดูอะไรลุ้นลุ้น่นต้องระมันะ ตัวนี้พวกที่ว่าดูจิตดูจิตเป็นแบบนี้เยอะมากมดูไม่เข้ามาถึงจิตกลายเป็นว่าเอาจิตไปดูอะไรอยู่ก็างนอกองไม่ได้นะอย่างนี้เบี้ยตื่ น, นาตนะยายเลยเวลาดูจิตอย่าจงใจดูให้ความรู้สึกเกิดก่อนแล้วค่อยรู้ว่าถ้าอยู่ๆเอาล้จะดูจิตแล้วจ้องมันจะไม่มีอะไรให้ดูว่ามาขอโยมดีขึ้นเยอะแล้ว สิติแล้วก็ใช้รูปแบบของหลวอพ่อคือท่านชอบไม่ชอบคือความรู้สึกหลายครั้งก็ไม่ทันที่คิดคิแต่ก็แต่หลายครั้งก็กเข้าใจได้นะแล้วก็พยายามเป็นตัวแล้วก็พยายามคิดถึงที่หลวงพ่อบอกค่ะไม่พยายามคิดล้ค่ะให้เข้าใจในสิ่งที่คิดมากมันไม่ได้ยุ่งยากเรายุ่งยากตัวเองแล้วเห็นคําสุขทั้งชุวงเวา มันเลยเราไปมองที่อื่นไปตั้งค่าที่อื่นอันนี้ชัดขนะึ้ชัดขึ้นนะถ้าเป็นปีนุกษะแ้วก็นหลักข้อไต่หลวงโมขันแล้วเลก็จะสร้งใจปฏิบัติพลังของชีวิตดแต่ปูชาพระเจ้ า, าคุา <c oughs> บะอาด้วยค่ะคูบะก็เป็นตัวอย่างอดทนมากปฏิบัตินที่โมขะคือแรงมาก นั่งเมื่อไหร่หลับเมื่อนั้นเล่าไปบ้างผมพ่อเนี่ยคราบเล่าสิตลอวนานเลยก็เป็นคนที่มีโมหายเยอะนล้วสมาธิก็หลับแต่จมกองก็ง่วงเนี่ยไม่วันวันวมัน่วงก็ฝืนเดินอย่างนี้จีก็ปัญหาที่ปแปลกๆที่มันดูแล้วจีมันจะอ่อนลยขึ้นมา ค่อยๆทำระกัจิเริ่มมีสมาธิเริ่มตัางมันเริ่มเป็นยันไดค่อยๆค่อยๆหา้กเลยบอกว่ากิเลสเราเยอะกีเลสเราแรงขัดเก่ไปเรื่อยเรื่อยื่อๆเราัวาร์นะคะเราอย่างอจะเห็นจิตของตัวเองค่ขึ้นแจ็ขึ้นรยหลังที่ที่เข้าใจว่าควจะจะเป็นฉให้กับตัวเองได้นะคะ อย่างคนในบ้านนะคะีค่ะเราจะตั้งค่าไว้ว่าคิดยังไงรู้สึกยังไงเรนะาก็แสดงออกมาแต่คนนอกบ้านเนี่ยมันจะเป็นตัวที่แบบว่าต้องรักษาหน้านักสายตานักสามารยาตอนนี้ก็เริ่มมาพิจารณาว่าทำไมเราไมให้คาดที่อื่นทำไมทำไมทําไมตัวเองมองไม่เห็นพอมันมองเห็นมันตัดชึบค่ะค่ะจัดชึบนะคะมันไม่ได้อยู่นา น, นะคะ่ะมันจับออไปแล้วเมื่อตั้งสองเดือนนะคะก็เลย ฟังซีรีส์ของหลวงพ่อแขกที่สามสิบห้าค่ะบอกว่ามันแตกดับแตกดับแตกดับมันอยู่ในกรณีนี้หรือเปล่าคะว่ามันได้ปั๊บมันดับมันจะไม่คงที่เราก็ต้องดูมันต่อไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเวลาเห็นทิศที่ของเราเรารู้ทันมัดับอยากจะเรียนถามท่านนะคะว่าอย่างคนใหม่ๆทีเริ่มปฏิบัตินี่ อนนย่าเราเป็นนักเรียนเราไปเรียนเนี่ยครูเขาก็เช็ ค, ว, ว, คว่าเออ น, นี้ทําถุงเปล่าถุงไม่ถุงเป่าแต่อย่างเนี้ยเราห่างไกลาการแล้วใครจะมาเช็คเราก็าอันนี้เราเดินหลงไปแล้วเอาตามสตาร์ทใหม่อะไรอย่างเนี้ยสําหรับผู้ผู้ผู้เริ่มทํานะคะถ้าทาไปไม่ถึงไหนเนี่ยจะเอาอะไรมาจะให้ใครมาตรวจนะเราตรวจตัวเอง เห็นพอทําไปแล้วจิตใจเราดีขึ้นไหมศีลเราดีขึ้นไหมอย่างเราเิลเอเคยแรงพอเราภาวนาแล้วกเกลเอเราลดลงแต่มันมีความสุขมากขึ้นแล้วค่อยๆเช็ตัวเองแล้วนานๆเราไปเจอครูบาใจแล้วท่านช่วยเช็คอีกทีเราหลงเป็นปีๆนะโดยปกติเราทำํำนะมันถูกหรือเปล่าเพราะเราก็ไม่เห็นมีการเปลี่ยนแปลงว่าเออมันจิตมัน บานจิตมันหูอะไรอย่างนี้แล้วตัวมันก็เหมือนคนตาบอดหรือว่าคนที่การทางสัมผัสอะรอย่างนี้ ก, ก็ไม่ไม่รู้ทําไปจนตลอดชีวิตถ้าไม่มี เ, เนวิเ ก, เกเตอร์หรือไม่มีครูหรือว่าไปหาครูควรจะไปหาครูไหมไม่ต้องนะ <laughs> เวลาจิตมันโกรธให้รู้ว่ามันโกรธจิตมันโลภให้รู้ว่ามันโลภจิตคลร้งซ่างให้รู้ว่าคลุ้งซ่าง จิตโหดถูไม่รู้ว่าหดถูถ้าเราทำไปหเดือนยังมีในเดือนลึกเอาเงนไปสามีแต่เด้ต้องทำผิดหรอทำผิดแล้วทีนี้จะไปหาใครไม่หาหรอกใครใครรู้ทันใจของเราไปเรื่อยๆใจเราโลกก็รู้ใจเราโกรธเขารู้ใครรู้ทันปล่อยก่อนกิเลสกำลังโลภโอ้กิเลสก่อนเนาะใช่ประมาณสัก วันๆที่เราตื่นอยู่เนี่ยทกี่เปอรเซ็นต์เนี่ยริอยเปร์เซ็นต์สิฮ่าว่า่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าง่าฮวาฮ่าฮาฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ้าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮีดฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮเวลาฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าาฮ่าฮาฮ่าาฮ่าฮ่า่าฮา จะขับรถจะนั่งรถเลยคอยรู้ทันใจมันกว่แข็งไปคนไหนที่หลวงพ่อชมเนี่ยเสียหมดเลยเพราะว่าอยากให้ SO e hm. saber, ใดีเยี่ยมเยียบขึ้นไปตั้งใจใจเย็นๆนะที่ทำอยู่นะทำถูกแล้วล่ะอย่าไปรั่วมันก็มาหมดนแล้ที่เมื่ี้หอฉันเขินได้จี่ขนานี้กับตะกี้ก็ไม่เหมือนกันตอนนี้สงบกว่าเมื่อกี้เู้สึกไหม แต่ทีนี้โยมจะถามคืออย่างชีวิตโยมเนี่ยแต่ละวันโยมจะอยู่ประคับคเยอะมาทำงานเราจะม อ, องอยังไงเพราะว่าพอโย ม, มนึกได้อีกทีว่ามันหลงก็หลงไปแล้ว24ชั่วโมงแล้วทงานทีล24ชั่วโมงไม่งว่าจะจะบางทีจะมานลิกได้เี อ, อ้มันนานมากใช่ไก็ไปเกินตัวเองไปสินะแต่ว่าโยมจะต้องคิด เพราะว่ามันเป็นหน้าที่การงานของพิธีกรพิจารณาหมอกตรงนั้นได้ยังไงไหมไม่เป็นมีหน้าที่คิดชิดไปแต่ถึงเวลาเรกเนี่ยเบรกไม่ได้เมื่อตอนหวงพ่อทงานจะพาความมั่นคงนะงานนี้เต็ไมไปด้วยข้อมูลเป็นไปด้วยการถกเถียงประชุมทั้งวันหมดเวลาประชุมก็มีรเรื่องตรวจข้อมูลเช็คข้อมูลงานเครียดงานหนักงานที่ใช้ความคิดนท่านั้ แ่วิีเบรกดปช่วงๆแล้สัชั่วโมงหนึ่งเราเดินไปห้องน้าอีนึงเห็นร่างกายมันเดินใจปินมือมดูจิตไม่ได้แล้วมัน่วงมันเม่อ้า้องน้ำนะตอเดิกลับมามนรู้สึกกลับเด็กเเปช่ว ง, วงหรือตอนเรานั่งอยู่ก็ทะางานเราลุกไปบ่อยๆไม่ดีบางบริษัททําให้ลุกเยอะที่นะที่อเทมี วันนึงมันแ จ, จกคูฟองแค่สองใบเลยเข้าซ่วงได้สองครั้งโกรธที่สุดเลยถ้ามากกว่านา่าตัเงินเดือนนะวันนั้นไม่ให้เงินนะคนไทยเลยน้าตอน น, น, อ น, นี้หน้าตอนนี้จิตของโยมจะมันจะผ่อนคลา ย, ยไปมากขึ้น<ม>แต่มันมันมีแค่ว่ามีตัวรางส่วนนั่นแหละนั่นแหละตัวรางนั่นแหละข้ามได้ตายไปแต่ตัวรางตัวนี้มันก็ไม่ใช่โล่งที่โยมเคยจับมันได้เมื่อหลาย หายเกินขอรับมันไม่ใช่ใช่ไหมที่ัวไม่ใช่ตัวเพ่งนะแต่มันเป็นตัวที่เราเปประคองไว้มันอยู่ในกลุ่มตัวเพ่งตัวบังคับตัวเองอยู่ในกลุ่มบังคับตัวเองเพราะฉะนั้นที่ที่ยมเขียนจดหมายอ่าถวายการบ้านหลวงพ่อเนี่ยเอาคนนี้เหรอว่าจำไม่ได้ว่าคนไหนที่เยอะเยอะที่ที่ยอมจัเป็นคำสอ่ะอันนั้นนี่ก็คือตัวนี้ใช่เป็นนี้ ลราไปไประทับทอไว้เลยตัวอื้นมันก็เคลื่อนที่ได้แล้วมืเ ห, เหลือตัวนิ่งอยู่ตัวแต่ตัวนี้นี่คือตัวนิ่งเมื่อเป็นเป็นบังคับจิตควบคุมจิตจิตเนี้ยไม่เป็นธรรมชาติจิตไม่เป็นธรรมชาติโยมยจะมองเห็นว่ามันไม่เป็นธรรมชาตแค่โยมย <ขอ S 2> ไม่รู้ว่ามันคืออะไระไม่ต้องเรียกชื่อก็ได้เรียกชื่อเป็นแค่สมมุติให้รู้ทันว่าเราเป็นจิตแบบเป็นอย่างนี้แหละ อย่าไปเกียนเลยออแล้วอย่างนี้ที่โยมเขียนถาไปที่บอกว่าแต่ละวันแต่ละมุมโยมมองเข้าไปเนี่ยจะเห็นความผิดนี่ตรนี้เราสร้างเอางเรา้างขึ้นมเองแล้วก็ที่มันจิตมันจะตอกเป็นเหมือนตอกจิตตอกจิตตกกระแสอันนี้เป็นธรรมชาติของคนละฮะตรงมันเป็นเฉพาะโยมคนเดวน็ลก็เป็นเขาก็ตอกกระแสมัน จะได้กระแสมันมาอยู่ด่เองทีก็ไหลาตามไปฮะแร้วแต่ว่าโยมเจอมีความสุกว่าที่จะมองเห็นชัดที่สุดคือกระแสของคว า, ามดิเรกแต่ถ้าเป็นกระแสถโทระัพโยมโยมจะไม่ทำมันจะต้องเกิดก่อนแล้วโยมถึงมาทำ น, น, นี่อย่ยายยไปดิเรกเกิดม <ๆ S 2> ันที่เราเกิดเนี่เยเราพยายามควบคุมตัวเองใช่แต่ตดยทีก็ต้องทุมนะ ถ้ากดมานานเนี่ยปล่อยเมื่อไหรมันะจะลายสุดยอดเลยนะคราวนี้ร้ายระเบิดเดเพมเลยค่อยๆค่อยๆใจกล้าๆค่อยปล่อยปล่อ ย, อยทีละนิดหรือปล่อยลยืดไล่ใหม่ปล่อยและยืดไดล่ใหม่อยากจะยังถามว่าที่เราเจริญภาวนานจะไปต้องนั่งรูปแบบนั่งนิ่งหรือว่าเดิน ว่าที่ทำงานทั้งวันทำงานบ้านนี่จเจริภาวนาอย่างนั้นดีพอไหมคะเจริญสมาธิเจริญสติตในชีวิตประจำวันก็นในรูปแบบการทำในชีวิตประจำวันรวดไปเลยถนะึงจุดหนึ่งกำลังไม่พอไต่อไม่มีแรงนี่บางคนบอกว่าอย่าเพิ่งไปทำาพาทำแล้วมันเครียดที่บางคนจะสอน อ, อย่าเพิ่งไปทาอย่าต้องไปทำสททำมาิาจะเครียดปล่อยอน ให้เจริญสติในชีวิตประจำวันกอจิตใจคล่องแคลวชำนาญก็กลับมาทำตุปาเนี่ยตอโยมนั่งเฉยๆรู้เบื่อเกินตุปาเนี่ไม่เคยหยุดเฉยเลอาจยบอกว่าท่านนั่งทีไรหลับทุกทีเดินเข้าไปไปอยู่ตรงไหนตรงนั้นเป็นตาได้หลวงพ่ออธิบายความแตกต่างระหว่างอนุสัสอสวะกับสังโยชน อยาที่วายเป็นปริยัติใช่ไหมงี่หนุ่มพ่อช่วยว่ายของเขาพิบัตรข่าวสนัก็ต้องมีถาแอคชั่นนะก็ต้องมีรีแอคชั่นมีการกระทําลรวต้องมีผลของการกระทำหนาตามของพิบาติบาตคือการพิบัตคือผลของการ เ่ราขี้บน่นมิบาบมนะับนไปเรื่ อ, อก็มีวิบาบกายเป็นคนขี้บน่นขี้หุดหงง่ายแล้วจิตคุค้งเฟคือคืออ่าพไปทาไม่ดีนะก็คคเกลียดเราเป็นิบาบแต่การที่เราขี้บน่นจากการที่เราบน่นไปเรื่อจนติดนิสัยชอบบน่นกลายเป็นอนุสัยสังโยน อาสวะนี่เป็นตนะอาสวะอาสวะนี่เป็นตัวที่ยอมจิตมันใกล้ๆอย่างตัวนี้เราทําน้ําป่งนะน้ำไหลไปเราไปเช็ดน้ําไปหมดแล้วถ้าเราทําน้ำโป่งอีกนะมันจะไหลเป็นทางเดิมเรื่องพึ่งต่ออีกมันมีรอยชื้นๆของเดิมนําเลย้างสวะนี่นมันจะตัวนาร่องให้กิเลสเข้ามาหาจิต <gained> ไม่ใช่สันดาลไม่ใ <últ im mic> <ugi> ช่สันดาลในตัวลูกชายเป็นความเคยใจได้ยินท่านว่าจิตประพัดสอนจิตประพัดสอนหรอจิตมันงใสสว่างสวัยแต่ไม่บริสุทธิ์มีสองคำนะคว่าประพัดสอเนี่ยคำึงว่าบริสุทธิ์ทีว่าบริสุทธิ์นี ธรรมชาติจิตของทุกคนนะี่ะโดยตัวมันเองพองพัดสอนคืมันของใสแต่ว่ามันมองไปกลางเาเพรากิเลสผันเกิดกระจั์สว่างเลขมาเป็นปีตกลางากจจั์นี่ยพอพัดสอนอาทิตย์เน่ยพอพัดสอนสว่างเมื่อน่ะคือตัวจิตเองของใสในตัวของเอเวลาที่ไม่มีกิเลสมีกิเลสเข้ามาเข้า บางคนไปได้ยินว่าธรรมชาติเดิมของจิตเราัดสอนไเข้าใจผิดธรรมชาติเดิมของจิตนั้นบริสุทธิ์จิตไม่บริสุทธจิตเราเชือพนด้วยอาสาสิเลั่นตลอดเือพนด้วยอนุใสสารือตอดไปด้านไม่บริสุทธิ์เหมือนน้ำใสใสเหน้ำใสของน้าัดสอนแต่จะมีเชื้อโรคเชื้อโร ในน้ำนี่ไม่เหมนสุดต่ใสใสกับเบอร์ที่สุดในเนระื่องตัวจิตผู้รู้เนมัศัม ส, สว่างนะจิตของแต่ละคนจะมีแสงไม่เหมือนกันไม้เท่ากันดานเด่นจิตหลวงพ่อไม่ถ น, น, น, นานมืดมือหัวมัวของคนภาวนาจะมีแสงนเหมือนแสงดาวแสง ต้งองภาวนา น, นะแส ง, แงไปไั้งฝั่งไปด้วยทำจิตสีต่างสีสีเนี่เป็นนิมิตเป็นนิมิตของคน<ม>ที่จะใช้เจโตแต่ว่าใช้เจโตตรงๆไม่ได้ก็ <c oughs> ลเลยเลี่ยงไปใช้จิตเป็นจักรสุขแทน <c oughs> เมื่อเกิดนิมิตขึ้น <c oughs> เพื่อเป็นสื่อเพื่อจะแปลงจริงว่าจิตเป็นสิง่งดำดำพูดเจโตแท้ๆไม่ต้องถามสีเลยคือ <c oughs> <c oughs> อย่างร okay. huh. ู้จิตผู่อื่นหรือจิตของตงตรงกับคำนี้แค่เลยไม่มีคำอื่นเไม่ต้องผ่านแสงสีเสียงอะไรทั้งสิ้นไปสอใกลตื่นนอนมันยังไม่เข้ามาในความคิดรองนอนตื่นเกคือตอนนั้นกิเลสยังไม่ทันจะทำานอย่างที่ย้อนเล่าก็มีอันนั้นป็นนิมิตหรือว่าไม่ใช่นิมิอันไหนแล่วเล่าซ้ำที่เราเล่าลืม ที่โยมเล่าถ้าพูดถึงแสงใช่ไหมคือว่าที่พอโยมตอนนั้เป็นนิมิตส่วนอันนั้นเป็นอย่างนไงที่แสงที่ ท, ที่โยมเห็นว่<ม>าส<ด>า3 <ด>ส่วนมารว<ด>มกันเนี่ยเป็นนิมิตเนะ่ยพยมหลังว่าไง ก็สติต้องสึกอยู่เรื่อยๆนะสติเป็นคำที่สำคัญมากโลวงปู่เทศสกเทสารหลวงพ่อสติจำเป็นในพิธีตุสถานในการทุกมมือนะขาดสติอย่างเดียวจิตเป็นหนักกุศลอันดี น, ะนี่เราพยายามมีสติแล้วการฝึกมีสติก็คือการเดินจมกรมไม่ใช่ สติเนี่ยมีทีระสัญญาเป็นเห็ดใกล้ให้เกิดทีระสัญญาคือการที่จิตจำสภาวะได้แน่นอย่างของคุณเนี่ยหลวงพแนะนำให้ไปดูตัว น, นี้นะเวลาปีติเกิดขึ้นให้รู้ทันถ้าปีติเข้ามาครอบงมจิตให้รู้ทันมันเกิดล่อยเพราะนั้นปีติเกิดเรารู้ทันปีติครอบงมจิตเรารู้ทันต่ไปโดยที่เราไม่ได้เจต น, นานเลยพอปีติเกิดขึ้นสติจะเกิดขึ้นเองวันไหนที้โมโห ก็ไปหานูจิตที่โมโหจิตมันเพิ่เคยกับสภาวะของความโมโหพอจิตมันโดดขึ้นต่อไปจิตมันโดดธชิ้นนิเดียรู้ตัวสติะระลึกเ่าโกรธแล้สติเป็ น, น, นตัวรู้วาเรื่อยได้ีติก็เป็นที่วสัญญานีมีอารมณ์สัญญาในตัวปิติผู้เจ้าจะแั่ว่าให้รู้ความประโตดแล้วมันจะเกิดปิติเกิด กสที่เกิดสุขสมาธิแับอย่างสักครู่นี่คะเป็ถูกย้อมอยู่นะก็หยุดอยู่แค่นั้นนะครับในพัชชงเนี่ยถ้ารู้ตานีขึ้นขึ้นไปผว่าเจ้าค่ะอย่สักครู่ที่กะเฮลุกคอความว่าจะปรับสกคู่ช่วงจิตมันตีมันเหมือนกับจะรับหลังออกมาแล้วมันควบคุมไปกรกระลิกกลุกกลิกอย่างนี้ค่ะกระลุกกระลินคือ มันเป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นหรือว่าเราต้องดูตัวไหนที่บอกว่ามีสติพูดตามปกติของเราจิตมีปีติขึ้นมารู้ถันจิตไม่อยากให้ปีติเกิดขึ้นเลยหายเขาเลยไรูปความไม่พอใจในปีติพยายามปุมตัวเองเนะเวลาปติเกิดมันไม่เคยอะค่ะมันต้สุดแบบไหนนะคะคือมันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยอะค่ะเตัวไหนเกิดบ่อยอนั้นไหะ คนไหนขี้โลกก็ดูจิตโลกคนไหนี้โกรธก็ดูจิตโกรธคนไหนช่างขี้ดูจิตชุงสร้าง ม, มันมีทุกตัวมันมีเยอะมากแล้วคดูจิตชุสร้างดูจิตสารนี้เป็นตัวหลักแล้ว อ, อ, อย่างที่เหตุการณ์เมื่อกีดดีนะแต่ว่าตอน ส, บสอบตาหลงก็เลยไปรวบเข้ามา <T> ไป <S <S 2> <S 2> ไ, ไ, ได้ดีช่ไนหะ มันก nice. <So, ็รวบมากกว่าค e ือพ่อต right. ั้งเวลาตั้งสัาที่นที่มีความรู้สึกแบบแบบ้องหายใจออกทาับนั่นสมคัญคืออะไรที่ผิดธรรมชาติไม่เป็นวิปัสสนาแน่หลักฐานของพ่อว่าหวงพูดุลพูดถึงว่าเวลาคนตายไปแล้วเนี่ยมันเป็นรูปปรามานุกรมหรือรูปทอดในนั้นมันก็เกิดตับของมันยช่อ ตัวจริงอยู่ที่มันมันไม่ใช่แบบฝาบมันเลยไม่ใช่วิญญาณล่องรอยแต่ว่ามันมุนด้วยกรรมใช่ดวงวิญญาณมีกรรมเหล่านี้โยมอยากเรียนค่ะหลวงพ่อเรื่องปิติเมื่อกี้พูดปิดติปิตินี่มันเกิดได้ขึ้นขนาดได้ทำชั่วมีปิติเพื่ออะไรยังยังโยมเนี่ยเวลา น, นึก ก็คือมันเย็นชาขึ้นมาในจิตในหน้าอกอผูก็เห็นแต่ไม่มีไม่เป็นไม่ค่ะว่าไม่ทําให้ไปถลัมไปดูจําได้อย่างสบายเ <c oughs> นี่ยยึ่งอมอยากรยทราบว่นนะาถ้าผ่านตัวนี้ได้สบายจิตจะตั้งมั่นจริงๆริงยิ่อยากทราบว่าตัวปิติเนี่ยจะทําให้เป็นอุปสรรคกับพิ ป, ปัฒนานีไม่เป็น อติก็สอนวิปั ส, สนาได้อิติก็ไม่เที่ยงอิติก็ทนอยู่ไม่ได้อติก็บังคับไม่ได้ใช่ค่ะอันนี้เที่ยงแรงกันรบเร็กไ่ะใช่เคุได้ ย, ยินท่านผู้ที่ธรรมศาสตร์ว่าสติพูดเรื่องสติลแล้วว่าเพลื้วถามว่า เผลอกี่ครั้งวัน ล, ละกี่าบอกเผอหลายครั้งกับตื่นี้ว่อนอดินี่ไม่เคยจเจอสมาธิเผลอวละคั้งเผลอตั้งแต่ตื่นจนหลับนะไม่เคยรู้สึกตัวเลยนี่ส่วนเราเผลอไป้านาทีรูสึกตัวขึ้มแล้แป๊เดียวจะเผลเออีกนาทีรู้สึ ก, กยียิ่งเยเอสันลงนะยิ่งดี สตอก่อนจะมาดูตัวเองนะนาทีนึ่งเหือสกว่าในอนะนาทีเดียวเหือสกว่าคนรวมากเว่าไงเจ้ที่มีกนรีตอนปลายปีนรดังนี้ อ๋อข่อเพื่ยนนองหนูเรื่องที่แบบไปคิดล่อยึ้นนะคะหนูก็เลยอยากจะทราบว่าคือเวลาที่เราเกิดแบบนั้นบ่อยๆแล้วเราฝึกดูต่วนั้นบ่อยๆมันจะทำให้สติของแข็งขึ้นแข็งขึ้นแค่อยย้ายไปดูตัวอ่ได้อดีขึ้นนะหนูเกิดแบบรู้สึกว่ามันดีแต่ว่ามันแค่ไม่รู้มันไม่เห็นการเปี่ยนแปลง่ไหมครมันเปียน ไปดูตัวแตนไปตั้งนงนคืนแลวยังบทำกั น, นักขากสา่ืนแ่อวส่วนมันไ้ไม่เนะ่ยกันไที่ถึงก็ะพดทธเจ้าถึงคุณของขั้ น, นโยกทอดไหว้พระบ่อยนะี่ยไหว้พระหลายทีน้ำไม่ถูวส่วนมนมาหายกี่กันมีเวดาก็ รอนได้ครับ้ไหนคบดรกันนใช้กดอะไรคะหลากสูตรก็อีกสว่าคาโตอินดีบีโซอะนี่แหละกดไหนกดพวกนี้ดีนะดีบีโซสว่าคาโตสุรติกัน์เมอเป็นบทที่เคยผานสระบรมโอรสาธิราเหมือนสวดเองได้ใช่ไหมคะพี่ยอมทางานแล้วพีส ได้ใช่ไหมอยากให้หลงพอพูดถึงเรื่องความกังวลใจเป็นเรื่องที่ความคิดที่มันต่างกันยื่นไปคนเด็กไม่ค่อยรู้ว่ากำลังคิดอยู่สารบัญคุณหมอจมีปัญหาเดียวอะไม่ได้ใส่จีวรอันนี้แค่นี้ก็กลับไปรับมาตัวสารเยอะ ก็สอนต่อกันทุกวันทุกวันนะจิตมันจะไม่สอนธรรมะจิตจะรวมพระพิฆเนศเจ้าท่้ก็หยุดท่้หยุดถ้าท่านหยุดที้งนานๆบางทีท่าหยุดตั้ง3เดือน